เรื่องภิกษุประชุมนั่งนิ่งสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายคิดกันว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ประชุมกันในวัน14ค่ำสิบหาค่ำและ8ค่าแห่งปักจึงประชุมกันในวัน14ค่ำสิบหาค่ำและ8ดค่าแห่งปักแล้วนั่งนิ่งประชาชนก็ไปหาภิกษุเหล่านั้นเพื่อฟังธรรมประชาชนเหล่านั้นพากันตําหนิประนามโพลนทนาว่าฉนัยพระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรทั้งหลาย ประชุมกันในวัน14ค่ำ15บ้าค่ำและ8ค่ำแห่งปักแล้วจึงนั่งนิ่งเหมือนสุ ก, กรใบเล่าธรรมดาว่าผู้ประชุมกันก็ควรกล่าวธรรมไม่ใช่หรือพิกษุทั้งหลายได้ยินประชาชนเหล่านั้นตำหนิประนามพลธนาอยู่จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ